คือธรรมะถ้ามันจะปรากฏจริงๆเนี่ยเราต้องดับทุกอย่างที่ปรากฏในจิตเราเนี่ยง่วงมาก็ดับคือพยายามดับให้ได้่าไปเล่นกับความคิดนานการดับคือพลังของสติมันง่วงมาก็ถอนออกมันเบื่อมาก็ถอนคือทำทุกอย่างนะ กำหนดรู้ทั้งหมดและเฉลียวใจว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาอยอ่าคิดว่ามันเป็นธรรมะจะคิดว่าเป็นเรื่องเล่นมีนเป็นคลุกเคล้าอยู่กับอารมณ์บางคนปฏิบัติธรรมมานานบะอกมันไม่มีอะไรก้าวหน้าไม่มีอะไรดีขึ้นคือไปเล่นกับความคิดกับความง่วงความเหงาอยู่นั่นคือต้องเอาจนออกจนมันเกลี้ยงเกลาไปหมดนะี่ยง่วงกะมันมีซึมๆนิดหน่อยก็เดินเอาจนกระทั่งมันหลุดออกไปนู่นเนะ่ย มันเบื่อคือเหมือนกันมันคิดก็เหมือนกันเดินจนกทั้งความคิดมันหายแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาเอาตัวนี้มันออกไปแล้วมันก็จะโล่งมันเหมือนลื้อถอนอะไรสักอย่างออกไปเนี้ยอย่างหนังนี่เวลาเราลื้อออกไปมันจะออกทั้งขนทั้งอะไรออกไปด้วยขี้ใครอยูนี้ออกไปด้วยในตัวแล้วมันก็จะเห็นเนื้อในเข้าไปที่มันจะกินได้ชีวิตก็เหมือนกัน เนวอนทั้งหลายทั้งปวงนี่คือเอาให้มันออกให้ได้ไม่ใช่ว่านั่งซึมคือให้กิเลสมันเข้ามานานแล้วมันฝังตัวอยู่ในใจคือเอาออกคือสังเกตว่ามันเกี้ยงไหมใจเรามันเกลี้ยงเก่าไหมมันสะอาดไหมบริสุทธิ์ไหมชําระให้หมดมีน้อยก็ถูออกมีมากก็ถูออกคือเอาออกให้หมดอยู่แล้ถ้าไม่มั่นใจว่าอย่าไปนั่งมันให้หลายๆคนเวลาเข้าคอร์สปฏิบัติทำแพ้อารมณ์ตัวเองก็คือ มันซึมตลอดเวลาคือมันมันไม่ได้พัฒนาขึ้นเพราะมันไม่เอาออกไงตัวง่วงเคยยังเป็นเล่นอยู่กับมันตัวเบื่อตัวไหนพานี้เป็นเล่นกับมันอยู่ตัวขี้เกียจเล่นกับมันเล่นเท่าไหร่มันก็ติดอยู่เท่านั้นแล้วเวลามันคิดก็รู้ว่ามันคิดและอย่าไปว่าความคิดเนี่ยมันมันเป็นธรรมชาติธรรมนาคือพยายามกําหนดรู้ให้ได้กําหนดรู้กําหนดรู้รู้จนทั้งมันดับไปให้ได้คือพยายามฆ่ามันให้ได้นั่นเอง แล้มันจะง่ายขึ้นแต่ถ้าวันนี้ก็อเราคิดโอ่ยตัวเย็นคงจะง่วงเนาะนั่งหลับดีกว่าเพื่อทําวัดตอนนี้ถ้าคุณคิดอย่างนี้ก็จบพอดีเลยคือคนสอนก็ท้อแท้ใจถ้าคนคิดแบบนี้คือไม่มีปัญญาพอที่จะฝืนตัวเองเป็นคือเดินเหยียบมันลงไปเรื่อยมันง่วงก็เดินเหยียบไปมันคิดก็เดินเหยียบมาลงจนกระทั่งมันรู้สึกว่เอ๊ะทำไมจิตเรามันเบาอย่างนะ คือชำระออกให้หมดล้างออกให้หมดทุกอันทุกอันที่มันปรากฏในใจถ้าเดินสู้ไม่ไหวแล้วก็ไปนั่งทำนั่งดันมันออกตอนนั่งรู้สึกสับมันลงไปเรืยลึกรู้มันง่วงมาเอาออกมันเบื่อมาเอาคืออย่าให้มันซึมอยู่นานๆน่ะถ้าไม่ก็วิ่งเอาวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปมาจนจิตมันตื่นขึ้นมาถ้าจิตมันตื่นดีๆเนี่ยมันไม่เป็นหลงกับอาการหลงอารมณ์พวกนี้ยเดี๋ยวมันก็สว่าง วิปัสนาญาณมันก็เกิดได้โดยที่โดยที่เราเอาผู้นี้ออกได้นั่นแหละคือมันคิดน้อยๆก็จัดการเลยไม่ใช่หมายว่าปล่อยมันคิดยาวๆนานๆจบเรื่องนี้ก่อนเอย่างนั้นนี้มันจะโยงใหญ่ไปเรื่อง น, นั้นเรื่องนี้ไปคือเรื่องไหนมาก็จัดการตัวง่วงมาก็จัดการถ้ามันยังมีซึมๆเศร้าๆง่อยๆเงาๆอยู่นี่เก็บมันให้หมดเลยเดินเหยียบไปกระทืบไปเลืลึกรู้ไปทําอารมณ์ให้มันต่อเนื่อง ถ้าความต่อเนื่องมีปัญญามันก็เกิดได้ไม่ยากปัญญาก็คือการฝืนที่รู้สึกว่าสามารถทําลายอารมณ์ทุกอันที่มันงอกขึ้นมาในใจได้นั่นแหละโดยอาศัยสติสติกําหนดตัวรู้นี่เป็นตัวฟาดฝันมันเข้าไปถ้าสติมันยังน้อยก็คือจะไปปักใบมีดลงลึกคือจะไปกําหนดรู้แม่เหมือนรถไถเนี่ยปักลงลึกแล้วมันดันไปลําบากบเบาลงทีละน้อยละน้อยละน้อยกัรกําหนดรู้นี่ ไปกำหนดรู้มากจ้องไปมากก็ไม่ได้นะนันสังเกตตัวตัวรู้ที่อยู่กับเราตัวที่เป็นปัจจุบันธรรมเนะี่ยมันชัดเจนแค่ไหนถ้าชัดเจนมากมันก็ออกได้มากถ้ามันไม่ชัดเจนก็เอาแต่ละขนาดพราตอนนี้คิดมากมมามาก็เริ่มใหมยย่คิดมากเริ่มใหม่อยู่นั่นแ่ะเริ่มใหม่อยู่เรื่อยๆพิจารณาไหมเอ๊ะทำไมตัวนี้มันคิดมาเนาะโอ้ยตัวนี้ทำไมตุงหงวนี้ยังมาอยู่นี่ ตัวนี้ซึมเศร้าเนี่ยไอตัวซึมเศร้านี่มันมันเป็นขีดไหนหรือเป็นธรรมะนี่ก็สังเกตคือต้องเอาให้มันเกลี้ยงเกานะ่าเนี่ยในจิตนี่ไม่ใช่เป็นล้อเล่นอยู่กับมันเลยนะเรานั่งล้อเล่นบานนี้ก็เดินกันเล่นอยู่กับความคิดความปรุงแต่งเนี่ยมันไม่ออกหรอกอันนี้ปฏิบัตินานตั้งแต่ก็เหมือนเดิมเพราะจิตมันนี่พลังไงพลังอันนี้คุณต้องสามารถทําให้คุณไม่ง่วงทั้งวันได้ก่อนวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยเวลาเดินจูกลมยิ่งมันง่วงเลยเด็ดขาดกับมันนะ ถ้ามันมีพลังตัวนี้ไว้ตอนบ่ายเวลามันคิดว่าแว บ, บมาเนี่ยพลังที่เราฝืนความง่วงมันจะสามารถชําระล้างไอตัวปรุงแต่งนี้ได้ต้องเข้มแข็งนะไอเนี่ยมันถึงจะสู้ได้ที่จริงมันก็สู้ได้อยู่แหละเพียงแต่ว่าเสียดายกิเลสคนนอารมณ์กรรมาฐานเนี่ยมันมันไม่ต้องไปพูดหรอกมันถึงขั้นไหนอะไรเป็นยังไงเนี่ยขอแต่ว่าจัดการพวกนี้ ให้ออกรู้ว่าจิตอย่างใ น, นเราก็เห็นใจที่มันว่างเป็นอย่างนี้เนะเออจิตว่างเป็นอย่างเงี้ยหลังจากที่นั้นก็จะรู้จักว่าไม่ว่างคืออะไรอ่าเงี้ยว่างคือคือเป้าหมายที่เราจะต้องเดินเข้าไปเราไปเห็นแล้วมันว่างเป็นเงี้ยแต่สิ่งที่มันคลุมเครืออยู่ข้างนอกนี่คืออารมณ์เท่าไรเั้งป่วยเนี่ยนี่แหละคือคือมาร์กที่เราต้องทํา มักก็คือการทำลายอารมณ์บนีสเข้าไปตัดไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยๆเป็นมักพอตัดได้มันไม่งอกก็เป็นผลคือถ้าตัดได้แต่นิเล็กน้อยเดิอนนี้น่อยพอมันเบื่อกันนั่งเนี่ยโอ้ยรากมันยังอยู่เดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมายีกอย่นั้นนะคือถ้าถอนต้องถอนด้ว้องมาเห็นรากมันคือพื้นที่เนี่ยมันต้องมันเกลี้ยงเกาลงไปเรื่อยๆนะจิตเนี่ยตองมันสะอาดไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้ามันสะอาดไปเรื่อยมันก็เห็นนะ ที่อยู่ข้างในถ้าจิตมันไม่สะอาดมันมีการซึม ส, มสลึมสลือมันมีห ง, ง่วงมีเงามีอะไรโอ๊ยมันไม่รอดหรอกอนันนี้นะทานานๆานก็ไม่รอดเพราะความเด็ดขาดมันน้อยไปทั้งที่จิตก็เห็นอยู่ว่าทุกอย่างเนี่ยเข้ามาป้วนเปี้ยนอยู่ในใจไม่ได้เกิดจากอดีตนะชีวิตเนี่ยความทุกขนะ์เนยไม่ได้เกิดจากอนาคต คือมันเกิดอย่างอย่างที่เราเกิดอยู่ที่นี่ก็เกิดที่นี่ไ ม, ไม่ใช่เกิดหลังจากมาจากบ้านไม่ใช่เก็บมาจากบ้านไม่ใช่เก็บมาจากอนาคตจากอดีตไม่มันผุดขึ้นมาจากจิตแล้วตอนนี้ตอนเราเดินเข้ามานี่เราก็ไม่มีอะไรแต่พอมานั่งเนี่สติอ่อนแวบขึ้นมาทันทีมันก็ลบ ก, กวนเราทันทีนั้นทุกอย่างนี่มันเกิดที่ปัจจุบันขณะจิตเดี๋ยวนี้ตรงนี้ตรงที่สติมันไม่มีเนี่ย ฉนัตัวสติเราก็เลือกรู้แล้วก็ฟาดฟันกับตัวอายุปัจจุบันเนี่ยคนมันไม่กล้าต่นนั้นเองปฏิบัติทำมันไม่กล้าไม่กล้าสู้กับความจริงไม่กล้ามีความเพียรถึงขนาดนั้นตัววิทยามันอ่อนพอมันน่อนมันปัญญาที่จะดับทุกข์มันก็เกิดไม่ได้ต้องเห็นมันก่อนนะเวลามันจะง่วงก็ต้องรู้มันก่อนมันเบื่อก็ต้องรู้มันก่อนมันขี้เกียจเออเข้ามาแล้วเนี่ยเนี่ยก็ต้องรู้มันก่อนว่ามันคิดแล้วนั่นีกก็รู้มันก่อน กำหนดรู้กำหนดรู้กำหนดรู้มองว่าทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกบเปาะงฟองน้ำเนี่ยเหมือนฟองสบู่เนี่ยความคิดทุกอันเนี่ยมันมาแล้วก็มันก็แตกมันก็แตกถ้าขยําเป็นถ้าไม่เป็นมันเกิดฟองใหม่ขึ้นมาเรื่อยแต่ยิ่งถามว่ามีตัวตนมันไม่มีมันไม่ได้มีอ่ะแต่เราจะดูแบบไหนที่จะให้มันดับนะแต่ถ้ายิ่งไป เอาคำคิดคนนั้นมาเอาคําพูดคนนี้มาใส่เนี่ยยิ่งสกปรกไปเรื่อยไปเรื่อยอย่าไปกลัวคนส่วนว่ามันใช้พิจารณาเกินไปนะเกิดจะพิจารณาอันนี้เกิดจะพิจารณาอันนก็จะแบบนะั้นอันนี้เป็นอย่างนัง้นอนี้ไม่ต้องมายุ่งกับมันนะอะไรเอามาในกวาดออกไม่หมดเลยในใจเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเอาออกอะไรเกิดขึ้นเอาออกถ้ามันไม่ออกความเพียร น, น้อยเฉยๆนะเพียนกําหนดรู้นี่มันน้อยสติมันน้อย สังเกตถ้าความง่วงคุณยังฝังอยู่เนี่ยความเบื่อความคิดความปรุงแต่งคุณยังกาหนดรู้ไม่ตกเนี่ยคือคุณดับไปแตคุณยังเห็นว่ามันเป็นเพื่อนเป็นมิตรอยู่เนี่ยมันไม่ออกหรอกเราคิดถึงมันเนี่ยมันมาเราก็ตอนรับมันทุกวันทุกวันเราจะอะไรมาดับดับอะไรอนะในจิตก็ไม่มีอะไรเหนือกว่า น, นี้นะมีแต่นิวรณ์เท่านั้นนะอนยะ่อื่นมันก็ไม่มีเราจะไปหาบาปหาบุญหากรรมหาสวรรค์หาวิมานอะไรมไม่ได้มีในใจเรา ไม่ดีแต่ความปรุงแต่งความคิดความห่วงท่านเองถ้าดับพวกนี้ได้เพื่อที่มัดสะอาดเรียบร้อยดินแดนนั้นก็ไม่มีความทุกข์ท่านเองคิดนะั้เป็นนิพพานโดยธรรมชาติมันนั้นก้าวขาไปแต่ละก้าวแต่ละก้าวเนี่ยติดสติไปด้วยเหยียบมาลงไปและลึกรู้ไปปรุงแต่งมากรู้ทันทนะีและอย่าไปสนใจมันตัวเบื่อตัวไหนอย่าไปสนใจ จะไปมองเข้าเป็นแย่เป็นมิตรเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรเนียเราก็คือเราทุกเนี่ยมันเป็นสนิมที่มันมาเกาะเราเกิดนั่นเองพอมันเกาะมากมันจะกัดกินเราได้เหมือนสนิมที่มันมาเกาะเหล็กเนี่ยมันกัดเหล็กขาดแล้วนี่ความคิดก็เหมือนกันความง่วงก็เหมือนกันเหมือนสนิมเนี่ยพอมันติดเรานานๆนี่ภาษาพระเขาเรียกว่าเสนียดติดคนเน่ะมันเรียกว่าสนิมเสนียดจันเล ท่นพอมารู้สึกว่ามันติดเนี่ยจะไปคิดถึงโอ้อันนี้เป็นอดีตนะอนาคตนะความจริงชีวิตต้องครุกเคล้ากับเรื่องพวกนี้ยากอันนี้นั้นในวิธีการของพุทธญาติที่บอกว่าเจ็ดวันก็บรุษทำก็เพราะอะไรเพราะว่ามันมันกล้าเสี่ยงนะกล้าสู้กับมันเนี่ยทำความเป็นจริงนะถ้าสู้ไม่ไหวกำลังไม่พอดับมันไม่ได้พยายามเลยลึกรู้มากๆมนะ แต่อย่างน้อยคืออยาให้ตัวห่วงเข้าไปและเดินเดินกําหนดรู้ทีละครั้งความคิดนี่มันไม่มีตลอดเวลาหรอมันก็เหมือนหนังสือพิมพ์นี่แหละมันก็มีว่างมีช่องว่างช่องไฟอยู่เรื่อยๆเลยอีส่ดดวนใหญมันก็ว่างว่างก็กําหนดรู้กับเริ่มต้นใหม่ตอนที่มันว่างเริ่มต้นใหม่ที่มันว่าคืออ่านไปปุ๊บมันก็หายใจอ่านไปมันหายใจเราก็ต้องมีช่วงช่องช่วงที่เราต้องหายใจเหมือนกันนะการความคิดมันเกิดก็เหมือนกัน มันไม่ได้คิดตลอดหรอกเราก็เริ่มใหม่เริ่มใหม่เรื่อยเืเริ่มใหม่เรื่อยเรยถ้าเรามีความเพียรอยู่วันเดียวมันก็สามารถดับตัวง่วงได้ตัวฟุ้งซ่านก็วันสองวันนี้ก็น่าจะดับได้ถ้าเราสังเกตเป็นพอสังเกตพยายามทำความเพียรตัวเะยลึกรู้นี่ให้มากๆากเยอะเนี่ ย, ย่าไม่เพลินกับอาการ